บุ <Book> <18. S 3> ๊กทูสิบแปดปรเดนมิดิการทำความสะอาดบ้านอินติปริสุเบรตาวันนี้เป็นวันเสาร์อีโรจูเซนิวารโมวันนี้เรามีเวลา อีโรจมะมาวัดดาสามัย ม, มุดวันนี้เราจะทำความสะอาดอพารตเมตอโรจะมีอพาร์ตเมนต์ใ น, นสุบรันเจสุนนาดิฉันกลังทาความสะอาดห้องน้ำนี่นุสน า, นาละกด็ดีสุบรันเจสุนนานสามีของดิฉันกาลังล้างรถมาสรุคอร์นีกุตรุน เด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดรถจักรยานปิลเล่ลูไซเคเลนสุบรันเจสสุนนารูคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้บามมานาน ม, ามม่อัม ม, มูลโค ก, กนีลปต้ดน ด, เดีเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็กปิลเล่ล พีลเล่กดนี่สุบริษัสตุนนารุสามีของดิฉันกำลังจัดโตทำงานของเขาณาบาร์เตอร์ไอ้ในเดสก์นี้สุบริษัสกุนตุนนรุดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้าเนนุนวอชิงมิชชนลูกุติเกบัตเตอร์ ล, ลีเวสตุนานาโนดิฉันกำลังตากผ้า เนนูวุ้ดีกินน่ะบตลนี่อารเวสตุ น, นดิฉันกลังรีดผ้านนบัตลนี่ istrice ส, สุ น, นุหน้าต่างสกรปรกค ก, กลูมุริกิกนพื้นห้องสกรปรกนลมุริกิกดจานชามสกรปรก กินนื न न ้อมูริกิก้าวนายใครเช็ดหน้าต่างกี่ดิกลี่ยาวรศูนเจริญเรูใครดูดปุ่นแบคทีมยาวรเจริญรูใครล้างจานกินนื้อยาวรขดกุ้ตารู